หนึ่งร้อยห้าการระลึกอดีตที่สำมาทิฐิย่อมได้ความจริงดังนั้นหกปีผ่านไปเจ้าชายศิทษฏาจึงสูญเปล่าเพราะหลงผิดจนวันเพนเดือนหกผ่านการปฏิบัติเท่าที่โลกเขามีวิธีต่างๆเก่งแค่ไหนแค่ไหนพระองค์ก็ผ่านมาหมดแล้ว ก็ไม่เห็นจะพบพุทธธรรมที่เป็นของพระองค์เองแท้ๆด้วยวิธีต่างๆเหล่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้สักทีเมื่อไปนั่งใต้ต้นโพในวันขค้ือน15าข้ามเดือนหก็ตั้งพระไทยอย่างแน่วแน่ทรงใช้เตวิโชเท่านั้นแล้วทรงอาศัยอดีตทรงปรารภธรรมะของพระองค์เองจากอดีต ระลึกถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เองได้สำบุ์ว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญมาอย่างไรบรรลุผลมาแล้วแค่ไหนจึงได้ทรงรู้ความจริงต่างๆนั้นจากสัญญาพระองค์ทรงได้รู้สำ ม, มาสำโพธิญาณขึ้นมาในคืนส5ห้าข้ามเดือนหนั้นจากสัญญา เป็นการระลึกเอาอดีตของพระองค์ขึ้นมารู้ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นปัญญาอันเป็นความรู้ใหม่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมาแต่เป็นความรู้ของเดิมที่พระองค์ได้ทรงมีมาเก่าได้สั่งสมกุศลลวิบากที่เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี้มาแลว เป็นพระปัญญาที่คุณเดิมไม่ใช่พระปัญญาที่เพิ่งเกิดใหม่ในขณะ น, นี้ความรู้ต่างๆนาน า, นาทั้งหมดที่พระองค์ระลึกเข็นความจริงขึ้นมานั้นเป็นแค่สัญญาเป็นความจำของเดิมไม่ใช่ความรู้ที่เป็นความฉลาดรู้อันประกอบด้วยฉลายยตนะแต่อย่างใดจึงไม่ใช่ความฉลาด เป็นความรู้แค่ระลึกรู้เอาความรู้เก่าที่มีมาแล้วขึ้นมารู้ตอนนี้กำหนดรู้เอาจากของเดิมที่ได้มีมาแล้วเท่านั้นความรู้ที่ทรงรู้ขึ้นมานี้จึงไม่ใช่ทรงเกิดพระสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นมาตอนนั้นในขณะที่นั่งระลึกอยู่ใต้ต้นโพนั้นแต่เป็นความรู้ ที่ทรงรู้แค่กำหนดรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันเคยมีมาแล้วทรงค้นของเก่าขึ้นมาจากคลังสมบัติของพระองค์เองเท่านั้นมารู้เป็นแค่สัญญามิใช่ปัญญาเลยซึ่งมีในยยสำคัญลึกซึ้งอยู่มากระหว่างสัญญากับปัญญานี้ สัญญานี้เป็นสัญญาที่ระลึกรู้ความจริงเดิมขึ้นมาได้ไม่ใช่ความฉลาดใหม่ที่เกิดขึ้นขณะนั้นจึงมิใช่ปัญญาปัญญาต้องมีชลายตนะหกประกอบการเกิดสัจธรรมและต้องเป็นสัจธรรมที่จริงโดยเฉพาะประมัทิตยสัจจะในปัจจุบันนั้น